อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอนํารายการธรรมราบรุณมาเปิดรายการเป็นรายการแรกของทางสถานีเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์อาทิตย์แปดเมษายนค่ะเป็นวันแรมสองค่าเดือนห้าปีมะโรงนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยดียฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านคงจะทราบนะคะว่าทางรัฐบาลเองเนี่ย ได้ขอให้พี่น้องประสบวิกญชาวไทยเราได้ถวายความจงรักภักดีด้วยการที่จ ะ, ะแต่งกายไว้ทุกข์นะคะลดทงครึ่งสาวสำหรับการตั้งแต่วันนี้คือวันที่8、9และสิเมษา ย, ยนนะคะทางนี้ก็เพื่อที่จ ะ, ะถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสที่จะมีะพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพู้ศพของ สมเด็จพระเจ้าพระกิง่งดิเธอเจ้าฟ้าพเพชรราชกาจสุดาสิริโสภา พ, พันนาวดีในชาในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งพิธีหลวงต่างๆนั้นก็เริ่มกันตั้งแต่วันนี้แล้วค่ะก็หวังใจว่าท่านพลังทางบ้านทุกท่านคงจะได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีโดยพร้อมเพลงกันนะคะเราจะแต่งกายไว้ทุกแล้วก็รายการตามสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆนั้นทางรัฐบาลเองก็ขอความร่วมมือที่จะต้องจัดรายการที่เป็นการไว้อะไรแด่พระองค์ท่านแล้วก็ เสนอรายการที่ไม่ได้เป็นการขัดกับการเรื่องของการที่อยู่ในช่วงของการไว้อะไรแล้วก็การส่งเสด็จสู่สวรรค์กันนะคะค่ะสำหรับรายการธรรมรารุทุนในเช้า ว, วันนี้นี่เมื่อวานนี้เราได้พูดคุยกันถึงเรื่องของการกินนะคะเป็นเรื่องของการาตัณหาเรื่องความอยากในการที่เราจะาในการรับประทานอาหารต่างๆนั้นก็เพื่อทำให้เวทนาของเราเนี่ยหรือเวทนาเนี้ยหมดไป แต่ว่าไม่ได้ทําให้เกาะเวทนาใหม่หรือเวทนาใหม่ที่จะทําให้เราไปยึดติดกับสิ่งที่เราเรารับประทานอันนั้นนะคะในเช้าวันนี้ก็เลยอยากจะขอนําทส่วนทางบ้านมาสนทนาทํากับพระอาจารย์ไพบูรณาพิพุโนพระอาจารย์ประจํารายการของเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องที่คิดว่าเป็นภยัยหรือว่าเป็นปัญหาของสังคมอย่างยิ่งในปัจจุบันก็คือเรื่องของ ยาเสพติดนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าทางรัฐบาลเองแม้ว่าจะมีนโยบายอันขึ้นวดในการที่จะปรับปรามยาเสพติดหรือว่าพยายามที่จ ะ, ะทำให้เห็นว่าคนที่เสพยาเสพติดเนี่ยค่ะถือเป็นคนไข้ดังนั้นต้องมีการรักษาอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะแต่ในเมื่อเราเป็นรายการธรรมะดังนั้นก็อยากจะข อ, อนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไบบุญอภิพุโน แล้วก็เรียนถามกันในด้านของเราจะนําเอาอพุทธวจนะหรือธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างนะคะกราบธรรมสการพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโนเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเช่นพาสาธุเจ้าค่ะอย่างที่ยมเกิดมามนี่เจ้าค่ะจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบุญได้เมตตาที่จะสกรรักษาหรือสนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเจ้าค่ะหรือว่า คนที่เสพติดอะไรที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยนะเจ้าคะ่ะ น, น, นานๆเนี่ยจนเป็นนิสัยที่แก้ได้ยากๆเนี่ยเราจะเอาธรรมะข้อไหนมามาปรับมาแก้ไขดีเจ้าค่นิมนต์เลยเค่กอ น, นี้เป็นเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากตั้งแต่ตอนที่เราพูดถึงเรื่องตัณหาสม <c oughs> าธิตัณหาคือความอยากแล้วก็ฉันทะแล้วก็ขยายผลมาเรื่องของอยากกินนู่น <c oughs> อยากกินนี่ที่เราได้พูดเมื่อวานนี้เราก็เลยต้องขยายผลมาถึงเรื่องของ เออ เ, อ, อเรื่องของอยากเสพติดแตเพราะมันก็มาจากพื้นฐานคือความอยากเหมือนกันนั่นเอง <Okay. S 1> คือตัณหาความอยากเนี่ยเป็นเป็นเป็นเหตุของทุกข์คือความอยากที่เรามีอยู่ในจิตเนี่ยถ้าคุณยังไม่ใช่พระอรหันนะคุณมี ม, มีตัณหานะ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นพระสงฆ์บวชแล้วแต่ว่าคุณยังไม่บรรลุขั้นใดขั้นหนึ่งเนี่ยถึงแม้สวัดิบาลก็ตามเถอะก็ยังมีตัณหายอยู่ <Okay. S 1> มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่คน ทีนี้ถ้ามันมันมากจริงๆมันมากไปเลยเนี่ยมันก็เป็นขั้นของความเสพติดละเสพติดตรงนี้นะมันก็เป็นมัน ม, ม, มีต้องพูดถึง2 ส, ส่วนก่อนนะคือส่วนที่เป็นสารเสพติดนะกับตัวที่อาการของตัวที่เราเข้าไปติดนะทีนี้เราต้องทําความเข้าใจกระบวนการของการเสพติดตรงนี้นิด น, นึ่งก่อนถึงจะเข้าใจว่าเราจะเลิกมันยังไงจะแก้ไขมันยังไงก่อนนะ อันนี้เราพูดกันเสมอๆตั้งแต่ตั้งแต่เราเริ่มรายการมาเลยทีเดียวว่าเราพูดถึงตันหาคือความอยากเนี่ยเป็นผลมาจากเวทนาคือความรู้สึกนะเป็นพุทธวจนะก็คือว่าเพราะมีเวทนาจึงมีตันหาเวทนาคือความรู้สึกนะจะไม่เหมือนกับเวทนาภาษาไทยที่เราใช้ว่าโอ้หน้าเวทนาน่าสงสารอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ต อ, อ, อย่างกันตอย่างกัน เวทนาตรงนี e ้เป็นภาษาบาลีนะแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าความรู wow. ้สึกความรู Mix ้สึกนี <tr <tr ้ก็ไม่ใช่ว่าความรู้สึกปวดหัวตัวร้นหรือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าความรู้สึกอะไรพวกนี้เป็นความรู้สึกแค่เป็นสุขเป็นทุกข์เท่านั้นเองนะสาอย่างเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข3าอย่างนะแล้วก็ไอความรู้สึกเนี่ยมันมาจากอะไรนะพุทธเจ้าก็อธิบายให้ฟังว่าความรู้สึกนี้ก็มาจากเหตุนะคือผัสสะนั่นเองเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเอาแค่สามอย่างนี้ก่อน เนะี่มีภาปาสสะจึงมีเวทนามีเวทนาจึงมีตัณหาอเอาแค่นี้ก่อนนะจบค่ะทีนี้เราพูดถึงสิ่งเสพติดนะสิ่งเสพติดเนี่ยตัณหาคือความอยากนะสิ่งเสพติดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุหรีจะเป็นาสารเสพติดเช่นแอลกอฮอล์หรือว่าไอเขาเรียกว่าอะไรผงๆอะเฮโรอีนเอ่อหรือยาบ้าอะไรพวกนี้นะพวกนี้คือสารเสพติดนะ สารเสพติด <Okay. S 2> พวกนี้พอกินเข้าไปแล้วมันจะเกิดอะไรในร่างกายของเรานะในทางวิทยาศาสตร์เขาก็วิเคราะห์กันไปแล้วนะแต่ในทางธรรมะทั้งจิตเนี่ยจิตจะเกิดขึ้นในจิตก็คือผัสสะแล้วมันจะสร้างผัสสะประเภทหนึ่งในจิตของเราเหมือน mm hmm. จิตของเราจะในกายของเราเนี่ยมันก็คือจิตนะกายกับจิตก็เป็นสิ่งที่อยู่เกี่ยวเนื่องกันแลนะพอกายเป็นยังไงจิตมันก็จะเป็นลักษณะนั้นไปด้วย <Okay. S 2> แล้วก็คือว่ามันจะสร้างผัสสะอย่างหนึ่งในกายของเรานละ้วผัสสะอันนีนะ้จะเกิดเวทนาขึ้น ไหอย่างอย่างเหล้าอย่างเงี้ยเอาพูดถึงเหล้าก่อนบางคนที่ไม่ชอบกินเหล้าเนี่ยนะพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดเวทนาเวทนาที่ตัวเองไม่ชอบนะพอเกิดเวทนาที่ตัวเองไม่ชอบก็คือคุณไม่ชอบเหล้ากินเหล้ามันขมนะคือคนที่ไม่กินนะไม่ชอบไม่เสพก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ในกรณีของคนที่เขาชอบเขาเสพเนี่ยพอเขากินเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเกิดเวทนาที่ที่เขาชอบนะพอเขาเกิดเวทนาที่เขาชอบเนี่ยแล้วเขาชอบมาก นะจนทําให้เกิดมีความอยากมากไอความชอบตรงนี้แหละคือความรู้สึกตรงนี้แหละถ้ามันมากจริงๆเลยเนี่ยจึงเป็นสิ่งเสพติดขึ้นมาได้นะคือถ้าไม่ได้เนี่ยไม่ได้คือถ้าไม่มีไม่มีสิ่งนี้เข้ามาให้เขาเนี่ยไม่มีผัสสะนี้มาให้เขาเนี่ยเขาจะไม่พอใจอย่างยิ่งอืมใช่ค่ะนี่เป็นลนักษณะของเสพติดแล้วอย่างคนที่ติดบุหรี่อย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ได้บุหรี่นะโอ้มันเริ่มจีนละคนติดยาบ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ยาบ้าที่เริ่มบ้ า, าจริงๆขึ้นมาค่ะ เพราะว่าตัวเองไม่ได้ผันสายอย่างนั้นพอไม่ได้อย่างที่ตัวเองต้องการปรารถนาะสิ่งใดไม่ได้สิ่งน้าสมหวังเป็นยังไงก็จึงเกิด อ, อาการกระฟัดกระเฟียกกระด้านกระเดืองนะเกิด อ, อาการร่ําให้คร่ําครวนแล้วแต่คนจะเป็นเลยตรนนี้นะตอนนี้อาการตรงเนี้ยเวทนาที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยมันมากพอมันมากขนาดนี้แล้วเนี่ยทําให้ตันหาหรือว่าการตอบสนองไม่ว่าคุณจะบวกก็บวกมากนะคนที่เพิ่คลั่งก็มากคนที่ลบคือด่าว่านะขโมยก็มากอย่างนี้ ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะจะปิด จ, จะถูกฉันไม่แครอย่างเงี้ย <Okay. S 1> จะไม่สนใจอย่างคนคนดื่มเหล้าเอาแค่ดื่มเหล้าธรรมดานะาคนดื่มเหล้าเนี่ยพระเจ้าบอกว่ า, าสุราเนี่ยเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะคือคนที่ดื่มเหล้าทุกคนอย่างเงี้ยเอาดื่มเหล้าคุณไปดื่มสักสองเปกเดื่มเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มนึมนๆตึงๆนะเราจะพูดอะไรมันก็จะรู้สึกว่าขนองขึ้นมา นะผู้เช้าจะใช้คําว่าขนองนะคือหมายความว่าเราก็มีสตินะคือเรารู้ตัวอยู่ว่าเราทําอะไรเราพูดอะไรเราเล่นอะไรเรารู้คนที่ดื่มเหล้านะแต่เขาจะขนองไงเขาจะประมาทนะเขาจะทําสิ่งที่เขาไม่เคยกล้าทํามาก่อนอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของคนที่คนเมาเจ้ค่ะซึ่งฟังสิ่งนั้นเนี่ยก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ก็มีใช่ใช่ใอย่างเล่นอะไรแผงแผงขับรถเร็วเร็วนะขับรถบาดเสียว ทานะงทั้งที่ตอนก่อนเมานี่ไม่เคยทํามาก่อนอย่างเงี้ยพูดอะไรที่ก่อนเมานี่ไม่เคยพูดมาก่อนแล้วตอนที่พูดรู้ตัวไหม ร, ร, รู้มีสติไหมมีแต่ว่ามันขนองไงมันขนองขึ้นมาแล้วนะทําให้ไม่มีไม่สํารวมอินทรีย์เพราะดื่มน้ำเปลี่ยนสีนะเจ้าค่ะทีนี้บุคคลที่ดื่มดื่มเหล้าเนี่ยอนี่ตัวอย่างของเหล้านนะจะทําให้ตัวเองเนี่ยควบคุมมีความขนองมากขึ้นนะขนองแล้วมันก็ไม่อยากควบคุมอะไระ ใช่มมันก็จึงเป็นเหตุของการที่เสพติดขึ้นมาแล้วทีนี้พอเรามีเวทนาอย่างนี้มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันชอบไงมันชอบมีเวทนานี้จึงเป็นสารเสพติดที่ว่าถ้าไม่ได้แล้วก็จะจะไม่พอใจละ <Okay. S 1> นี่คือกรณีของคนที่เสพติดนะ เ, เวทนาตรงนี้เนี่ยคือเราไม่ได้เสพติดสารเสพติดนะคุณนใจเราเสพติดเวทนา ใช่ไหมสารเสพติดใดๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกันอย่างสมมติคนที่เสพติดเนี่ยเขาจะไม่ได้ติดอย่างเดียวนะคนติดบุหรี่นี่ติดเหล้าด้วยคนติดยาบ้านี่ติดยาอีแล้วก็เฮโรอีนด้วยอืมค่ะเพราะว่าเวทนาที่เกิดขึ้นี่ยมันคล้ายๆกันค่ะอ่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขาไม่ได้ติดสารเสพติดหรอกเขาติดเวทนานะ่คือตัณหาไงตัณหามันเกิดหลังจากเวทนาแลเวทนาตรงนี้แหละที่เขาชอบมากทาให้ทําให้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะ เพราพอเราวิเคราะห์สถานการณ์ว่าอ๋อเป็นที่เวทนานะีมันไม่ได้เป็นที่ผัสสะเราก็จะจะดังที่ว่านี่แหละเพรา ะ, ะนั้นเวลาที่เราจะแก้นะเราก็แก้ที่เวทนาทีนี้วิธีแก้เนี่ยทายัางไงเรานะพูดมายืดยาวนี่คือแก้กระบวนการของการทํางานของมันเฉยๆนะกระบวนการการทำงานของของเขาเฉยๆอย่างคนธรรมดาเนี่ยนะคนธรรมดาทั่ ว, วไปเนี่ยไอเวทนาสมมติเราชอบอ่านหนังสือเป็นต้นนะ การชอบของเราเนี่ยก็ไม่ได้ว่ารุนแรงปี๊ดปั๊ดเหมือนกับไอ้พวกสารเสพติดพวกนั้น <Okay. S 1> คุณตัดใจนึกออกเนาะ <Okay. S 1> อ่ะา ง, างหรือบางคนเนี่ยไปทดลองสารเสพติดครั้งที่หนึ่งมันก็ไม่เป็นไรคือเราก็ยังไม่ติดนะ่ะ <Okay. S 1> เพราะาเราไม่ได้มีเวทนารุนแรงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ไ อ, อ้บางคนเนี่ยติดของที่ไม่น่าจะติดด้วยซ้ำอย่างเช่นมาติดเกมคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ย <Okay. S 1> อืมมันไม่ได้หลังสารอะไรหรือว่าการะบวนการอะไรทางอ่าทาง ฮอร์โมนทางกายภาพไม่ได้รับอะไรเข้าไปด้วยซ้ำทำไมมันติดกันได้อย่างเด็ก <Okay. S 1> บางคนติดเล่นเกม <Okay. S 1> อย่างเด็กบางคนติดดูภาพที่ภาพเขาเรียกภาพอะไรสื่อละมกในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ต้องดูไม่ดูไม่ได้ติดแล้วบางคนติดเล่นอินเทอร์เน็ตต้อง <Okay. S 1> ชี้แจงกับเพื่อนติดอย่างเงี้ยบางคนติดกาแฟกาแฟนี้ยังว่าไปอย่างเพราะมันยังเป็นสารเคมีอยู่เข้าไปในร่างกายอย่างนิสัยบางอย่างเนี่ยคนก็ติดนะติดเป็นนิสัยบางนั่นเถอะนะ <Okay. S 1> ทำให้ ไอเรื่องเสพติดตรงนี้เหมือนกันหมดเลยด้วยกระบวนการเดียวกันหมดคือติดเวทนาอืตัณหาเนี่ยมันติดกับเวทนามันไม่ได้ติดกับพัสดะเพราะฉะนั้นไอคนที่อย่างอติดเกมคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยนะเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันก็จะมันจะติดไปอย่างอื่นด้วยนะมันจะไม่ได้ติดเกมเดียวมันก็เกมนี้ก็ติดเกมนั้นด้วยนะคือถ้าไม่ได้เกมคอมพิวเตอร์มันก็ได้เกมเล่นประเภทอื่นๆมันก็ได้เหมือนกันแล้วก็จะเป็นนิสัยเหมือนกัน เพราะนั้นเราจะต้องแก้ที่เวทนาตรงนี้เราจะแก้อย่างไรนะคือพุทธเจ้าพูดถึงกระบวนการตรงนี้คือตัวปัญหาเนี่ยคือตันหานั่นเองนะถ้ามีตันหาอยู่ตรงไหนเนี่ยนะตรงนั้นแหละเราชีวิตเราจะเริ่มแย่แลนะที่ว่ามันมีปัญหาในสังคมเนี่ยก็เพราะว่าคนที่เขาติดเนี่ยเขามีตันหามากมากขนาดที่เรียกว่าเขาทำอะไรก็ได้ ทำอะไรก็ได้เพ่อให้ได้สิ่งนั้นมาผิดก็ได้ด่าแม่ก็ได้นะไม่ไปโรงเรียนก็ได้อนาคตฉันไม่สนฉันจะทําอย่างนี้ เ, เพราะมันมันยากมากไงแตนะ่มันจึงเริ่มเป็นปัญหาถ้าถ้าอยากพอควบคุมได้ใช่ไหมด่าหน่อยว่าหน่อยขนาหน่อยอ่ะเลิกอันนี้ก็พอควบคุมได้ใช่ไหมแม่พูดนิดนึงก็เลิกอย่างเงี้ยนะอันนี้พอควบคุมได้อันนี้ยังยังต่อรองกันได้นะลูกบางคนต่อรองก็ได้บางคนต่อรองไม่ได้นะต้องต้องช่วยเพราะฉะนั้นกระบวนการทาง จิตตรงนี้เราจะช่วยยังไงผู้ชาบก็พูดอย่างนี้เคยพูดถึงการทำงานของกระบวนการตรงนี้บอกว่าเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาใช่หเพราะมีเวทนาจึงมีตันหาอันนี้เราพูดมาแล้วนะเพราะความดับไปแห่งตันหาจึงมีความดับไปของอุปทานคือความยึดนะคือตันหาตรงนี้แหละที่เราจะต้องดับ นะเพราะอะไรเพราะว่าตันหาเนี่ยมันจะทําให้เกิดอุปทานคือความยึดเพราะความยึดแล้วมีแล้วเนี่ยมันจะไปสร้างปัญหาสร้างความทุกข์อะไรต่างๆมาเต็มเพียบเลยแล้วนะทีนี้ประเด็นคือเราจะต้องดับตันหาให้ได้นะจะดับตันหาได้เนี่ยตันหาจะดับได้ยังไงคุณเตืนใจทํำยังไงดีเจ้าค่ะผู้ ช, ชาก็บอกว่าต้องดับที่เวทนาเวทนาต้องดับบรรตันหาจึงจะดับได้อือเจ้าค่ะทีนี้อย่างอย่างคนที่เสพติดเนะี่ยเขาติดมากๆเนี่ยนะเขาชอบเวทนาที่เขาเกิดขึ้นมาก เวทนาที่เกิดจากผัสสะตรงนี้เขาชอบมากนะเขาจึงจะต้องได้นะพอได้แล้วเขาเขาก็จะจะมีจะจะเกิดตันหาขึ้นถ้าเขาไม่ได้นะทีนี้พอเราจะต้องดับเวทนาตรงนี้นะจะทำยังไงก็คือว่าคุณจะต้องเห็นเวทนาเป็นของไม่เที่ยงนะคือเวทนาเนี่ยเป็นของที่ไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนเป็นของอนัตตาพราะของเป็นของอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยั่งยืนแล้วเวทนานั้นจะดับไปนะจิตของเราเนี่ยจะละเวทนานั้นได้ พละเวทนาได้ตันหาก็ดับไปนี่เราพูดถึงตอนที่เขายังไม่เสพนะนี่คื อ, อคือเสพติดไปแล้วละ่ะแต่ตอนที่ยังไม่ได้สิ่งเสพติดนั้นมาสมมุติเด็กเนี่ยต้องการเล่นเกมคอมพิวเตอร์คุณติดเกมคอมพิวเตอร์ละคนติดบุหรี่ละคุณติดกาแฟละคุณติดสารเสพติดละแต่คุณไม่ได้นะตอนนี้คุณไม่ได้นะคุณจะเกิดตันหายอย่างมากใช่ไหมตันหาเกิดเนี่ยเพราะว่าคุณมีเวทนาที่คุณต้องการอย่างมากใช่ไหมทีนี้ถ้าเรานั่งสมาธิ นั่งสมาธิแล้วทํำไงต่อแล้วเราเห็นเบธนาที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงวางเบธนานั้นให้ได้ให้เวทนานั้นดับไปตัญหานั้นก็จะดับไปด้วยอพอตัญหาที่เกิดจากเวทนานั้นดับไปแล้วจิตของเราก็จะสบายขึ้นนะนี่คือพูดถึงทฤษฎีนะทฤษฎีว่ากระบวนการการทางจิตต้องทําอย่างนี้ทีนี้พอคนที่เขาจะแก้ปัญหาเรื่องการเสพติดจริงๆเนี่ยเขาจะทำเนี่ยนะคือไอตอนที่เขาอยากมากๆเลยเนี่ย เราไปบอกวิธีการเนี้ยมั น, มนทําไม่ได้หรอก <Okay. S 1> คุณตื่นใจเนี่ยหรือไหมคือคนมันน้ํามันเชี่ยวมากแล้วอ่ะตัณหามันมาแรงมากแล้วเนี่ยคุณจะเอาเรือไปขวาเนี่ยโหมีแต่พังกับพัง <Okay. S 1> อย่างอย่างคนที่เขาด่ากันว่ากันอย่างเงี้ยเขาโกรธกันอยู่เงี้ยเราจะบอกเออคุณต้องใจเย็นๆนะให้มีเมตตากันนะโหไปพูดได้ไงเขาเขามีความโกรธบังตาอยู่ <Okay. S 1> มีแต่เราจะถูกด่ากลับอีกตัางหากเพราะฉะนันก็จะต้องไปพูดตอนที่เขาเย็นๆแล้ว นะพูดตอนที่พอจะพูดได้พูดตอนที่เขาจะเข้าใจได้อะเขาจะเข้าใจไหมเพราะฉะ น, นั้น เ, เวลาที่เขาจะแก้ปัญหาของตัวเองเนี่ยคนเสพติดอะไรก็แล้วแต่คุณจะแก้ปัญหาของตัวเองเนี่ยคุณอย่าไปแก้ตอนที่มันเชี่ยวเชี่ยวคุณก็ค่อยๆแก้ตอนที่คุณพอจะควบคุมจิตคุณได้แก้ยังไงถ้าคุณเห็นอยู่เรื่อยๆเห็นอยู่เป็นประจำคือการที่คุณจะวางเวทนาได้นะคุณเตือนใจไอเวทนาที่เราเราอยากสิ่งนี้มากเนี่ยนะมันเกิดจากเวทนา คือเวทนาที่เราไม่ได้ผัสสะางเงี้ยมันจะมีเวทนาประเภทหนึ่งที่ทําให้เรามีความอยากนะเวทนาตรงนั้นแหละคุณต้องวางให้ได้วางให้ได้คุณจะวางเวทนานนั้ได้ต้องฝึกวางฝึกวางฝึกให้จิตเนี่ยวางอารมณ์ฝึกให้จิตวางอารมณ์ฝึกให้จิตวางอารมณ์เรื่อยๆนะพอจิตเนี่ยมีความคุ้นเคยมีความชํานาญในการวางอารมณ์เรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะสามารถวางอารมณ์ที่มันมันใหญ่ๆได้โอ้จุก้า ก็คือเริ่มที่การฝึกจิตของเราก่อนนะค่ะเๆน้อยๆจีเล็กๆน้อยๆนี่แหละคะเราฝึกวางไปฝึกทําไปฝึกวางไปฝึกทําไปเรื่อยๆลดสารเสพติดลงลดการทํางานลงให้จิตไปมีการกระทํางานอย่างอื่นพระเจ้าจึงพูดถึงกรรมฐานกรรมฐานกรรมฐานที่ตั้งแห่งการงานให้จิตมีกรรมฐานอย่างอื่นคุณตั้งหาอย่างอื่นทำแทนที่คุณจะไปเล่นอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคุณทํางานอย่างอื่นแทนที่คุณจะไปเสพเสพติดใช่ไหมเล่นเกมคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคุณไมอ่านหนังสือคุณไปทำงานอย่างอื่นคุณเล่นกีฬา เนี่ยคุณจะไปมั่วสุมกันเนี่ยคุณไม่เล่นกีฬาอย่างเงี้ยต้องหาสิ่งอื่นให้จิตทำ <Okay. S 1> นะเพื่อจิตที่จะได้รู้สึกรู้จักมีฐานที่ตั้งแห่งการงานแล้วก็จะรู้จักปล่อยวางอารมณ์ได้คือให้จิตมีฐานก่อนไง <Okay. S 1> มีฐานที่ตั้งแห่งการงานแล้วก็ฝึกในการที่จะเห็นอารมณ์ต่างๆปล่อยวางตรงนี้ปล่อยวางตรงนั้นไอ้เล็กๆน้อยๆที่มันเกิดขึ้นตรงเนี้ยปล่อยวางตรงนี้ปล่อยวางตรงนั้นเนี่ยมันมารวมๆกันให้จิตมีกําลังมีกําลังอะไรในการที่พอมันอยากมากๆแล้วคุณวางอารมณ์นั้นได้อืมจุกค่ะอ่า ผมคิดว่าต้องใช้เวลาฝึกงานทีเดียวนะเจ้าค่ะก็ค่อยๆทําไปได้ที่เขาเขาทำกันก็คือว่าเอางั้นคุณเลิกเลยหักดิบอย่างคนที่สูบบุหรี่อย่างเงี้ยคุณหักดิบเลยก็ได้เหมือนกันแล้วคุณก็เลิกไปเลยแล้วเราก็ให้จิตเนี่ยมีฐานที่ตั้งการงานอย่างอื่นนะมีอารมณ์เกิดขึ้นก็ฝึกไปฝึกไปก็ก็สามารถทําได้หลายๆคนเนี่ยสูบบุหรี่มาเป็น40ปี50ปีอ่ะแล้วก็หักดิบไปเลยบนพรุ่งนี้ไม่สูบจบแล้วก็ไม่สูบจนกระทั่งวันตายก็มีนะ อืมเพราะเขาเขาทำจิตอย่างนี้ใ จ, ใจที่เข้มแข็งนะจ๊ะ <c oughs> ใช่จิตเขาเข้มแข็งในกรณีที่ว่าเขาปล่อยวางอารมณ์นั้นได้ใช่ ค, คืออย่างน้อยเนี่ยแสดงว่าเขาคือเป็นคนที่มีกําลังจิตอยู่แล้วเขา้าใจไหมเป็นคนที่มีจิตมีกําลังอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เอากําลังของจิตตรงนั้นมาใช้ในการวางอารมณ์ตรงนี้คพอเขาออามาใช้เท่านั้นแหละก็ก็ดีขึ้นมาเลยยังหลวงพ่อสะอาดอย่างเงี้ยเมื่อสมัยก่อนตอนที่ท่านยังเป็นพระหนุ่มอยู่เนี่ยท่านก็สุบรีท่านเล่าให้อาตมาฟัง ขอขอนุญาตเอาเรื่องเท่าม า, มาเล่านิดหนึ่งว่าท่านสมัยก่อนสาวก็ไม่เยอเป็นพระหนุ่มเนี่ยก็สุบรีท่านบอกแล้วท่าน<ะ>เห็นโทษอย่างหนึ่งคือวันนั้นท่านมานั่งสมาธิท่านเล่าให้ธรามาฟังท่า น, านั่งสมาธิพอสมาธิมันจะเริ่มเข้าไปลึกๆเนี่ยคือท่านก็สังเกตเชี่ยวชาญในการสังเกตจิตตัวเองแล้วนะในตอนนั้นแต่ยังสุบรีอยู่ท่านก็บอกว่าพอเรานั่งสมาธิก็ไปเริ่มจะลึกๆก็ไปเนี่ยมันมีเสียงกระซิบเกิดขึ้นคุณเตือนใจบอกสุบรีก่อนสุบรีก่อน สูบไปอกก่อนก็เลยต้องหยุดใช่ไหมครับท่าก็เลยบอกไม่ได้แล้วอย่างนี้หยุดเลยคือวันนั้นก็เลยหักดิบแล้วก็หยุดไปเลยหลังจากที่สูบมาตั้งแต่ตั้งนานแล้วเป็นหลายสิบปีน่ะจกระตั้งเลิกได้แล้วก็ไม่เคยสูบอีกเลยจนบัดนี้ออืแต่เพราะเห็นโทษของมันเห็นโทษของมันพอเห็นโทษอย่างนี้แล้ววางเวทนานั้นคือคือเปรียบเทียบกับอะไรท่านเปรียบเทียบกับอะไรท่านเปรียบเทียบกับจิตที่บริสุทธิ์ในเปรียบเทียบกับจิตที่บริสุทธิ์อย่างพระุทาของเราเนี่ยเปรียบเทียบกับสัมมาสั อะไรอารมณ์โกรธไม่เอาอารมณ์บ้าๆบอๆบบฉันไม่เอาฉันหวังอะไรสัมมาสัมปชิญาแะแต่หลวงพ่อดรศาสตร์ก็หวังจิตที่ที่บริสุทธิ์หวังจิตที่สูงลึกเข้าไปเนี่ยท่านก็เลยวางไอ้สิ่งพวกนั้นทั้งหมดจะเห็นเห็นคนเห็นคุณของสิ่งนั้นน้อยเห็นโทษของมันมากๆแล้วก็จะวางได้ใช่ไหมเช่นเดียวกันไอ้สิ่งเสพติดเนี่ยถ้าเขายังเสพอยู่เพราะว่าเขาเห็นอย่างเห็นคุณมันอยู่ คุณของมันก็คือแค่ว่าให้ความสุขทางตาทางหูจมูกลิ้นกายห้าอย่างแต่โทษของมันนี่มีมากมายมหาศาลจนทำให้เราทําผิดนุ่นผิดอย่างนี้ผิดต่อคนอื่นเสียเวลาอะไรต่างถ้าคุณเห็นโทษอย่างนี้แล้วนะโห้ยมันมันขยักขยังขย่งมากเลยเพ่นเลยอืมเจ้าค่ะค่ะอันนั้นก็เป็นทางที่พระอาจารย์ไบดูนอภิจนนได้เมตตาที่จะชี้แนะนะเจ้าค่ะใช่ใช่จะสามารถแก่นิสัยที่มันแก้ ย, กยากๆของเราเนี่ยแก้ได้ใน อันนี้เป็นเรื่องของการเสรียบติดนะเจ้าคะอันนี้รวมถึงสิ่งเสียบติดด้วย น, นิสัยด้วยนะอุปนิสัยที่แก้ยากๆอย่างบางคนชอบแค่จมูกบางคนชอบรูปหน้าอันนี้แก้ไดนะ้ด้วยกระบวนการเดียวกันบางคนชอบเล่นอินเทอร์เน็ตบางคนชอบโทรหาเพื่อนแล้วก็คุยแบบไร้สาระอันนี้คุณแก้ได้แลนะกระบวนการเดียวกันเลยคุณเตือนใจ อ, จอาจารย์เมตตาที่จ ะ, ะพูดสรุปตรงมาอีก ครั้งนึงได้ไหมเจ้าค่ะเพือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้จับได้ว่าถ้าเผื่อตอนนี้ที่ฟังพระอาจารย์มาเนี่ยเจ้าค่ะหลายคนอาจจะนึกแล้วว่าเอ้เรามีเสษติดหรือว่าเรามีวิสัยอะไรที่มันแย่ๆที่เราอยากจะแก้เนี่ยเจ้าค่ะเราจะจะต้องเริ่มต้นทําอย่างไรก่อนอย่างกรณีของบางคนชอบแค่จมูกอย่างเงี้ยคือแค่จมูกเนี่ยเสียบุคลิกนะคือแก่กอภัยแค่ขี้มูกนะแล้วก็เวลาที่เราไปไหนเนี่ยแค่ขี้มุนี้เสียบุคลิกมากเลย ฉนั้น <resp. S 1> คือบางทีเนี่ย เ, เวลาที่เราแคสขี้โมกเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าพัฒนาเกิดขึ้นในกายของเราแล้วจะซ้ำอีกครั้งหนึ่งพัฒนาเนี่ยคือพัฒนาเกิดขึ้นแล้วเรา พ, พอมีพัฒนะเราก็จะมีเวทนานะมีเวทนาเราก็จะพอใจในความที่เราเอาเอามือเข้าไปล้วงในจมูกนะจะได้อะไรออกมาหรือไม่ได้ออกมาเราก็พอใจห ล, ลักนะจะมีความว okay. เออขอให้ได้ล้วงเข้าไปโ <wall> ง่กล <Man> <c oughs> มรู้ทําไมเป็นงั้นพอคนล้วงเข้าไปแล้วเขามีความพอใจมีความเวทนาที่เป็นสุขเขาชอบเวทนานั้น <Okay. S 1> นะพอชอบผัสสนี้เนี่ยคือคือเวทนาคือความรู้สึกที่เป็นสุขนะจากการที่ได้ผัสสนี้เขาชอบพอใจเสร็จแล้วนะ่ะก็มีความอยากนะในในเวทนานั้นความอยากตรงนี้แหละที่ทําให้เขาแคะอยู่เรื่อยๆเอามือเข้าไปล้วงอยู่เรื่อยๆในที่ทํำยังไงคุณก็เห็นโทษของสิ่งนี้อ๋อแคคีิมูไม่ดีนะเสียบุคลิกนะ เ, เห็นโทษของมันอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็กรณีที่1 ห, หรือกรณีที่2คุณตั้งความรู้สึกเอาไว้ว่าความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ มันไม่เที่ยงทั้งสิน้นนะภาษาที่เกิดขึ้นไม่เที่ยงทั้งสิน้นนะเราก็จะสามารถวางอารมณ์ตรงนี้ได้พอวางอารมณ์ตรงนี้ได้ไอความอยากนะคืออารมณ์มันมันดับไปแล้วเนี่ยความอยากในการที่จะเอามือเข้าไปล้วงเนี่ยมันไม่มีมันจะดับไปอ <c oughs> ตรงนี้เราชันได้เราก็มีสติอยู่เรื่อยๆอแล้วต้องมีความตั้งใจด้วยใช่ไหมเจ้าคะที่เราอยากจะเลิกเพราะเราเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะเจ้าค่ะความตังต้งใจตรงนี้ก่อนใช่ความตั้งใจตรงนี้คือฉันทักไง อฉันท<ช>้าเนี่ยคือความพอใจที่เราจะตั้งไว้ในการที่เราจะเลิกถ้าคุณ<ช>ไม่คิดว่าคุณจะเลิกคุณเลิกไม่ได้นะอืะ<ช><ช>ไม่มีทางเลยถ้าคุณยังเห็นประโยชน์ของการเสพติดของอ น, นิสัยที่ไม่ดีตรงนี้อยู่เนี่ยฉันพอใจทําเงี้ยคุณไม่มีทางแก้ได้ต่อให้เขาเอายาอะไรไหมคุณกินเอคือเดี๋ยวนี้เขามียาที่กินแล้วคุณจะไม่อยากกินเหล้าใช่ไหม<ช><ช>ได้ผลเม<ช>ื่อไหรคุ ณ, คณตื่นใจดูคนที่มันยังอยากกินเหล้าอยู่เขาไม่มีความตั้งใจในการแก้ยานั้นไม่ได้ผลเลยคนนั้นมันก็ยังไปกินเหล้าอยู่อันมาอีกเจอเลิกคนดีอยู่ในบ้าน เขาก็เป็นกินจนกระทั่งตับมันเป็นดำๆขึ้นมาแล้วเอ็กซเรย์ดูหมอก็ให้ยาไอ้ยเบื่อเล่ามากินไม่ได้ผลเขาก็ยังไปกินเล่าอยู่ดีจนกระทั่งเขามาเปลี่ยนจิตใจทําทิฏฐิใหม่เห็นโทษมันอย่างแท้จริงนะปล่อยวางอารมณ์ต่างๆฝึกไปเรื่อยๆนะโดยไม่รู้ตัวนะเขาก็จะทําให้ไออารมณ์ตรงนี้ที่มันครอบงาจิตใจเขาในการที่จะต้องไปอยากต้องไปทําเนี่ยมันวางไปได้ดับไปได้อือจ้ค่ะค่ะ เรือนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะเจ้าค <depois S 1> ่ะในเรื่องของการแก้นิสัยที่ไม่ค่อยจะดีทั้งหลายแหล่ของเร า, าเนี่ยเจ้าค่ะอย่างง่ายง่ายอย่างความเคยชินอย่างที่ว่าคนพูดมาพูดเราสวนกับปั๊บอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้ต้องคิดเขาพูดเรื่องนี้มาปุ๊บสวนกับปั๊บคนนี้พูดมาปุ๊บสวนกับปั๊บสามีภรรยาเนี่ยแหมเกิดขึ้นเป็นประจำนะหลายกรณีมากเลยที่สามีมานั่งสมาธินะคือปกติแล้วภรรยาพูดอะไรขึ้นมาสามีจะสวนกับปั๊บแต่พอสามีมานั่งสมาธิแล้ว กลับไปบ้านไม่สวนกลับภรรยางงภรรยางงก็เลยมุเรื่องไอ้สามีมาไปทําอะไรเลยมาบ้าง ừ, มานั่งสมาธิบ้างนั่นะคือความเคยชินตรงนี้ก็ละได้ไงอันนี้เราพูดถึงกรณีเล็กๆนะคุณตันใจที่ว่าความเคยชินที่ว่าคุณต้องสวนกลับทันทีเนี่ยคุณยังวางได้เลยกค่ะนะัคือนิสัยอย่างเนี้ยคุณยังวางได้เลยคุณยังเลิกนิสยยัยนี้ได้เราะวันนิสัยอะไรคุณก็เลิกได้สิ่งเสพติดอัไหนคุณก็เลิกได้ด้วยกระบวนการเดียวกันกค่ะอือย่านที่พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะ สักชาหรือแนะนำมานะเจ้าคะใช่ใชว่าจะสามารถแก้ได้หมดเลยอมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสพติดยาเสพติดหรือสิ่งมึนเมาใช่หรือว่าแม้แต่เสพติดในนิสัยที่ไม่ค่อยดีๆหรือว่าในสิ่งที่ไม่ไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์ต่อเรานะาคะทีนี้ก็จะซ้ําตรงนี้อีกนิดหนึ่งเพื่อให้เข้าใจว่ามันคืออะไรกระบวนการตรงนี้คือเวแค่เวทนากับตัณหาเจ้าคะคือเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยเราเห็นเป็นของไม่เที่ยงทั้งหมด เราเห็นเป็นของไม่มีสาระทั้งหมดเราเห็นเป็นของเป็นอนัตตาทั้งหมดถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราจะปล่อยวางเวทนานั้นได้เพราะปล่อยวางเวทนานั้นได้แล้วตัณหาจะดับไปตัณหาจะครอบงําจิตเราไม่ได้เราจะไม่ตกอยู่ในอำนาจของตัณหาที่ว่าต้องอยากต้องทําต้องตอบต้องโตโ้ต้องทําต้องไหลไปตามไม่เป็นใช่ค่ะแค่นี้เองแค่คือตรงนี้เหมือนกับเป็นลอยต่อนิดเดียวที่เราบิดนิดเดียวเนี่ยมันหักเลยใช่ค่ะล้มคลืนทั้งหมดเลยอืเจ้าค่ะ คือมันมีวิธีการแก้อย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ไดไดไดชี้แนะไว้นะเจ้าใค<ะ>ใ่ใทีนี้จุดสําคัญก็คืออยู่ที่ตัวของแต่ละท่านแล้วล่ะคะ่ะท่านต้องตระหนักรู้ว่าท่านมีจุดปกป้องในการที่จะเจ็บติดอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอะไรต่างๆนี่นะเจ้าคะจากนั้นก็ต้องฝึกปฏิบัติ แล้วก็ทําให้ได้จริงๆด้วยิจิตี่อย่างที่พระอาจารย์ได้แนะนํามานะเจ้าคะตรงนี้แหละการที่เธอจะรู้ว่าอันนี้ดีหรืออันนี้ไม่ดีเนี่ยอันนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิและคนที่จะรู้ว่าอันนี้เป็นสัมมาวาจานี่เป็นมิจฉาวาจาความรู้นั้นเน่ยเป็นสัมมาทิฏฐิพระเจ้าบอกเจ้ค่ะเจค่ะก็เอาสัมมาทิฏฐิของเรานี้แหละมาพิจารณาแล้วก็ดําเนินการไปตามที่องค์菩萨สมเด็จเจ้าชี้แนะนะเจ้าคะใชาจริงเนี่ยอ ถ้ามาฟังหลายท่านฟังมานี้ก็จะเห็นว่าวิธีนั้นไม่ยากเลยอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่ตัวเรานี้แหละที่จะแก้ด้วยตัวของเราเองนะเจ้าคะใช่เจ้าค่ะสาธุมาฟังค่ะเช้าวันอาทิตย์ที่แปดเมษายนนี้นะคะเราก็ได้รับฟังพระอาจารย์ไพภูณอภิพันโน พระอาจารย์ประจํารายการธรรมราราปุรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านเป็นพระอาจารย์ผู้มีการหลักสูตรปฏิบัติธรรมติดเล้นตามพุทธวจนะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดตาดอนหโศกตำบลดอนหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งสําหรับในเดือนเมษายนนี้อยากจะเรามีเวลาเหลืออยู่บ้างนะเจ้าค่ะอยากจะขอให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จ ะ, ะเชิญชวนท่านทุกท่าน oh. ซึ่งเป็นช่วงของการปิดเทอมพอดีก็เ<ม>ดือนนี้จะมีการปฏิบัติธรรมถึง3ครั้งด้วยกันใช่ไหมเจ้าคะใช่ก็ในช่วงของการปิดเทอมเนี่ยที่วัดป่าดอนใหญโศเราก็จัดให้มีการหลีกเลีปฏิบัติธรรมนะก็ตั้งแต่ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วคือ31เมษายนจนถึงวันที่8 31มีนาจนถึงวันที่8เมษายนนี้รอบหนึ่งทีตอนนี้ก็กําลังจะสิ้นสุดไปแล้วก็วันที่ถัดมาก็จะเป็น14 22 ่ 14-22 อีกรอบหนึ่งแล้วก็รอบที่สามก็เป็นวันที่28เมษายนถึงวันที่6พฤษภาคมอืเจ้าค่ะก็เรียกว่ า, าทางวัตาดอนไหส่งโดยพระอาจายรย์ภับุญนภิพุนก็ได้ปรับหลักสูตรซึ่งทุกครั้งนี้ก็จะมีแค่เดือนละครั้งนะเจา้าค่ะใช่คร<ต>ัยยบให้บรรดาเยาวชนแล้วก็พุทธศาสนิกชนน้องๆทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสที่จะมาปฏิบททัติธรรมได้เรียนรู้พระธรรม เรียนรู้ที่จะทําจิตใจให้ดีขึ้นในช่วงของการปิดเทอมก็เลยปรับให้มีถึงสามครั้งหรือสามคอร์สในหนึ่งเดือนเลยนะคะเจ้าค่ะถ้าใครสนใจก็ยังเขียนเข้าไปที่หลวงพ่อดอร์ดอทคอมนะเจ้าค่ะสมัครเเลยเจคะก็ว่าถึงเวลาที่เราจะต้องอกราบขอบพระคุณแล้วก็กราบนมัสการลาพระอาจารย์เทียนอภิพุโหน่าจึงท่านเป็นพระอาจารย์องค์ปาถุกประจํารายการธรรมะรับปรุงของเราในเช้าวันนี้แล้วเนะเจ้าค่ะ ขอชืญท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอพระคุณและกราบน้มัสการาพระอาจารย์พระจูนอภิพุนโนแห่งวัดป่าดอนไห่โศกเพียงแค่นี้แล้วเราก็จะกลับมาพบกันใหม่ใหม่ถึงเป็นช่วงของการฉากัะช้าในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะกราบนมัสการาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเลมปานเจ้าค่ะ